อัลก ah uh. ุรอานนะครับสิ ong, ka, sa, ่งที่อยากจะเน้นย้ำพวกเราทุกๆคนนะครับ พี่น้องที่ติดตามในรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับก็อยากให้เราทุกคนได้ช่วยกันนะครับคิดพิจารณาและทบทวนนะครับว่ากุฎอ่านที่เป็นธรรมนูญกุฎอ่านที่เป็นทางนําและทางรอดของมวลมนุษยชาติเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเราควรจะต้องใส่ใจกับอัลกุรอานอย่างไรผมจึงได้พยายามที่จะได้ให้มุมมองก็คิดที่บอกว่าทุกวันที่เรา ได้รับโอกาสเวลานะครับเท่ากันเป็นความเท่าเทียมที่พระองค์อัลลอฮซุบฮานตลาประทานให้กับทุกๆคนนั่นก็คือ24ชั่วโมงใน24ชั่วโมงนั้นถ้าเราคิดแล้วก็คำนวณว่าเราได้ตั้งตารางการปฏิบัติงานในช่วงต่างๆนั้นมีหมดเลยนะฮะอาหารเช้านะครับงานออฟฟิศนะงาน กิจกรรมครอบครัวเวลานอนเวลาพักผ่อนมีหมดเลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันยังขาดไปในชีวิตของพวกเรานั่นก็คือเวลาของ Al อ Al ัลกุรอานเพราะกุรอานที่ความสําคัญของอัลกุรอานนะครับเราให้เวลากับอัลกุรอานรายวันอย่างไรตรงนี้ต้องอยากให้เราพยายามนะครับใช้บริหารจัดการในการดูแลแล้วก็วางตารางของอัลกุรอานไปในตารางเวลา ชีวิตรายวันของพวกเราทั้งหลายเมื่อไรเท่าไรตอนไหนอย่างไรอยู่ที่เราเลยครับแต่ละคนแต่ละอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะไม่ตรงกันอาจจะไม่เท่ากันไม่เป็นไรแต่ที่เราเหมือนกันก็คือเรามีตารางของอัลกุรอานรายวันในชีวิตประจำวันของเรานะครับซึ่งการที่เราระบุเวลาหรือระบุช่วงเวลานั้นมันทำให้เราต้องใส่ใจในจุดๆุดนั้น ไม่ใช่เมื่อไรก็ได้ตอนไหนก็ได้และสุดท้ายมันจะไม่เหลืออะไรและจะไม่อยู่กับเราแต่ถ้าเราวางไว้มันตืนสติเราว่าเวลานี้เราจะไม่ทำอะไรเวลานี้เราจะเป็นเวลาที่เรามอบให้อ่ากคุณอ่านเพื่อที่จะศึกษาจะอ่านจะเรียนรู้อะไรก็ได้นะครับนะที่บอกอะไรก็ได้บางท่านอาจจะอ่านยังไม่คล่องก็ฝึกอ่านบางท่านอ่านคล่องแล้วอยากจะจาก็ฝึกจาบางท่านอ่านแล้วคล่องแล้วจาแล้วอยากจะรู้ความหมายก็อ่านความหมาย แล้วก็อยากจะรู้ในเรื่องของนัยยะอัลกุรอานก็ศึกษาเป็นขั้นตอนขึ้นไปเรื่อยๆนั่นคือสิ่งหนึ่งที่อยากที่จะฝากไว้นะครับครับี่นองครับเรามาต่อเนื่องเลยนะครับใน s ุร์อัลกออซนะครับวันนี้ต่อในอายะที่7นะครับเท่าความในตอนที่แล้วนะครับที่อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาลาได้บอกไว้นะครับที่บอกว่าพระองค์จะให้พวกเขานะครับได้ครอบครองแผ่นดินหมายถึงบานิอิสรออีนหรือบุคคลที่เพียนเอามองว่าผู้อ่อนแอ ผู้ที่มีไม่มีศักยภาพผู้ที่ไม่มีเรียกว่าไม่มีสิทธิ์ในการที่จะอ้าปากขอหรือไม่มีสิทธิ์ในการที่จะ เ, เขาเรียกว่าทําอะไรเหมือนกับคนอื่นเนี่ยให้คนเหล่านี้ให้กลุ่มชนเหล่านี้มาเป็นผู้ปกครองบนหน้าแผ่นดินนี้เพื่อให้เฟรเอลและฮามาและทหารของเขาทั้งสองได้เห็นถึงความหายนะที่พวกเขาทั้งหลายคิดว่าเขาจะหนีพ้นนะครับต่อมาครับ ในอายะที่เจ็อัลลอฮุ س ب า ا ن ه และ تعالى ได้บอกว่าว่าเอาให้นาอิลามูซาเอาว่าให้นาอิลามุมมิมูซาและพระองค์อัลลอฮุ سبحانه และ تعالى ได้ว่ายูได้ดนใจให้แม่ของนบีมูซานี่คือจุดเริ่มต้นของความเกิดขึ้นที่ฟิร์เอาและฮามานได้มีความหวาดกลัวจากการได้รับข่าวสารจากการทํานายความฝัน ที่ว่าเขาจะสูญเสียบัลลังหรือบัลลังเขาจะหายจะมีความหายนะเกิดขึ้นเนื่องจากเนื่องจากลูกหลานของบันิอิสรอินและเขาก็สร้างกุศโลบายหรือพูดง่ายว่าออกกฎหมายในการฆ่าล้างเด็กๆทั้งหมดนะครับและแล้วอัลลอสุบฮานอตลาจึงได้ว่าอยู่ให้กับนบีแม่ของนบีมูซาอัลลฮิสซลามอันอรดีแล้วตอนที่นบีมูซาคลอดออกมานั้นแน่นอนครับไม่ลอง ด้วยการปกป้องคุ้มครองจากออลล็อกซูพานหัวตาลาแล้วก็ยังได้บอกด้วยความหวาดกลัวของคนที่เป็นแม่และกฎหมายที่น่ากลัวที่ออกมาทหารของเฟรเอรเอาตตาอยากาส ป, ปรุพูดง่ายๆว่าหาทุกช่องทางวิถีทางเพื่อที่จะจับเด็กแล้วก็สังหารหวังจะได้รับการชมเชยจากเฟรเออาแม่ดามิวซาก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ คลอดลูกแล้วก็หวั่นเกรงว่าลูกจะเจิด เ, เกิดเขาเล็กอันตรายเหมือนคนอื่นแต่เอาล็อกุูพานาได้โดนใจบอกแม่ดาบีมูซาให้ให้นมลูกปกติไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวั่นอะไรทั้งสิ้นนะครับอันอารดีแต่ด้วยกการเป็นมนุษย์พี่น้องครับนี่คุร์านบอกไว้ให้เรารู้ว่าไม่ใช่ว่า เราจะโลกสวยหรือถึงเวลาวันนี้เราเล่าเป็นเหตุการณ์ได้แต่วินาทีที่มันเกิดขึ้นถ้าเราจะยกตัวอย่างวันนี้พี่น้องครับเราฟังเราเเคนที่เขาผ่านวิกฤตของสึนามิมาน้ำท่วมปีห้าสี่หรือแม้กระทั่งไวัยนี้ที่หานใหญ่ที่เกิดวิกฤตภัยพิบัติอุทกภัย หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นวินาทีที่เกิดขึ้นมันก็เป็นความเดือดร้อนน่ากลัวนะฮะพูดง่ายๆว่าเล่าอะไรไม่ออกมองอะไรไม่เห็นที่เขาเรียกว่ามืดแปด้านทำอะไรไม่ถูกนะครับมันไม่แตกต่างอะไรกันกับสถานการณ์ที่แม่ของน บ, บีมูซาเกิดรู้สึกแต่ด้วยกับ ที่เอาล็อกสุภานหัวตาลาได้ดนใจให้แม่นบีมูบอกแม่นบีมูซาให้ให้น้ํานมลูกให้ลูกได้ดื่มนมตามปกติแต่ก็มีทางออกให้ด้วยกับการเป็นมนุษย์ที่บอกว่าถึงจะอย่างไรก็แล้วแต่ความหวั่นเกรงก็มันเกิดขึ้นฟาอิดะฮิฟตีอาไลฮีท่ามาดแม้นว่าเธอหมายถึงแม่นบีมูซากลัวเกรงว่าหวั่นว่าจะเกิด ภัยอันตรายต่อลูกหมายถึงตอนบีมูซาเชื่อตอนนั้นยังเป็นเด็กอีกทารกอยู่ให้ทําอย่างไรล่ะครับฟาอัลกีฮิฟิลเลียมให้โยนนบีมูซาไปในแม่น้ําแน่นอนครับคําว่าโยนตรงนี้ไม่ใช่โยนแบบดือด้อๆไปนะก็ใส่กล่องใส่ตะกร้าให้มันเขาเรียกว่าเซฟที่สุดพูดง่ายๆว่าถ้าอยู่กับเราแล้วถ้าอยู่กับเราแล้วอาจจะวันหนึ่งครั้งหนึ่งอาจจะพลาดก็ได้ นะฮะเขาเรียกว่าในยุคยุคนี้นะเขาเรียกกันอะไรตายเอาดับหน้าที่เขาเรียกข้างหน้าอาจจะปลอดภัยมากกว่านะครับดังนั้นนี่คือทางออกที่อัลลอฮฺซุบฮานาฮูวาตาลาให้กับแม่ของนบีมูซาให้โยนท่านนาบีมูซาอะลัยซัลลัมไปในแม่น้ำนะไม่ได้โยนแบบ จมนะพูดไงว่าเอาไปทิ้งน้ำลอยน้ำไปนะหลังจากเวลาตะอฟีเวลาตะเสนีหลังจากลากอยน้าคนเป็นแม่พี่น้องครับคนเป็นแม่ถ้าจะปล่อยลูกห่างจากตัวเองแล้วนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ยังเดินได้พูดได้ไม่มีนะยังเป็นทารกอยู่เนี่ยใส่ตะก้าแล้วลอยน้ำนี่มีกระจมกระชมนะไม่จมต่อหน้าก็ไปจมข้างหน้านะครับ แต่ด้วยความหวาดกลัวที่แม่ในไปเกิดขึ้นนะครับข้างหลังนี่ก็คือดาบข้างหน้าคือน้ำจะเลือกอะไรแต่น้ำโอกาสรอดโอกาสที่จะไปติดกับต้นไม้อันหนึ่งอาจจะไปนู่นมันก็มีโอกาสอยู่ตรงนี้เนี่ยดูแล้วด้วยกับความอันตรายด้วยกับเรียกว่าไม่มีใครรอดสักคนดังนั้นการเป็นแม่คนหนึ่งที่ ห่วงความปลอดภัยของลูกนะครับจึงได้ตัดสินใจที่จะโยนนบีมูซาลงไปแม่น้ำถึงจะโยนก็จริงสิ่งที่อัลลอ์ได้บอกไว้ก็จริงแต่มันก็เกิดความหวั่นเกรงจะจมไหมจะไปอยู่อย่างไรอะไรอย่างทั้งหมดแล้วมันเกิดขึ้นทั้งหมดอัลลอ์สุภานนตาลาให้กำลังใจและบอกว่าวาลาตะคอฟีวลาตาะจนีไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวัน่นไม่ต้องเสียใจ อินนารดูห uh ุ่นไร้ินี่คือสัญญาพี่น้องครับพี่น้องลองดูว่าคนเป็นแม่ที่มีความห่วงใยที่มีความกลัวเกรงว่าลูกจะมีภัยอันตรายเสียชีวิตหรือเปล่าหรือจะไปยังไงหรือเปล่าเป็นกัทุกด้านในความห่วงเชื่อเหลือเกินนะครับว่าวันนี้คนที่เป็นแม่ห่วงลูกขนาดไหนนะฮะเราไม่ได้ส่งลูกลงไปแม่น้ำเราไมา่ได้ส่งลูกไปเข้าสู่การประหารชีวิต แค่ลูกห่างเราหน่อยเดียวเราก็ห่วงขนาดนี้แล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วและแม่นาีมูซาเป็นยังไงพี่น้องครับแม่นายบีมูซ่าเป็นยังไรน ะ, ะยิ่งกว่าเราไม่รู้กี่ไม่เวรอยน่นนะเป็นพันพันเท่าในความห่วงในความรักแต่ด้วยบัญชาใช้จากพระผู้เป็นเจ้าจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาละจึงทําให้แม่นาีมูซาตัดสินใจกล้าที่จะให้ ลูกชายที่รักเล็กเป็นทารกอยู่ในตะก้าเล็กๆและลอยน้ำออกไปลอยน้ำออกไปใครคนทำแม่เป็นคนทำแล้วก็ด้วยสัญญาของอัลลอฮ์ด้วยสิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮะตละให้กำลังใจว่าอินนารดูอีไลกและเราจะนำพาเขาเขาจะถูกนำพามาสู่เจ้า หมายถึงว่าจะให้นบีกลับสู่อ้อมอกของแม่อีกครั้งหนึ่งนี่คือสัญญาเมื่ออัลลอฮ์สัญญาแล้วเรากลัวอะไรเห็นไหมแม่ดามิมูซาทําให้เห็นว่าเมื่ออัลลอฮ์สัญญาแล้วสัญญาของอัลลอฮ์จะต้องเป็นจริงเสมอนะครับและอันนี้สัญญานี่คือพรา ะ, ะพระองค์ได้บอกว่าจะกลับเอานบีมูซากับคืนสู่แม่ของนบีมูซาว่าจะว่าจะอิลูห์ มีนับมูสลินและจะทําให้จะแต่งตั้งเขาเป็นรอซูลนี่เป็นกําลังใจอันที่สองที่ทําให้แม่นบีมูซามีความเคร่งสงบจากความกลัวความหวั่นเกรงความเสียใจ 1. ตั้งตั้งตารอคอยการคืนกลับมาของนบีมูซา 2. การที่นบีมูซาจะถูกแต่งตั้งจะถูกเลือกให้เป็นรอซูลจากอัลลอฮ์สุภาน์มะฮูอะตาลา พี่น้องครับจุดนี้อยากจะเปรียบเทียบนิดหนึ่งนะให้เราทุกคนได้เห็นนะฮะถึงสิ่งที่ตัวอย่างที่เราเราจะต้องเขาเรียกว่าปฏิบัติในสถานการณ์และเหตุการณ์ที่บางครั้งมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะนะวันนี้เราอย่ามองว่านี่คือแค่ประวัติศาสตร์เราอย่ามองว่านี่คือเรื่องที่มันเกิดขึ้นในอดีตและวกุรอานได้เล่ามาเป็นคิอบเป็นเรื่องราวเล่าให้ลูกหลาน พวกเราทั้งหลายฟังพี่น้องลองคิดดูว่านี่คือกุรานที่จะมาเป็นบทเรียนให้กับอุมมะมุฮัมมัดียะประชาชาติสุดท้ายประชาชาติของท่านอบดุลเบิดลลัลฮุอะลัยฮุสัลลัมและมันจะได้คิดอะไรจากนี้นั่นหมายความว่าเวลาเรามีลูกพี่น้องลองดูครับเวลาเรามีลูกถ้าเราจะส่งลูกหลานของเราเรียนศาสนาที่ไกลจากตัวเราพ่อแม่เป็นไงครับห่วงถูกไหมฮะ ไม่กล้าไม่อยากเป็นห่วงลูกไม่เคยออกไกลไม่เคยออกนอกบ้านลูกไม่เคยไปห่างบ้านเลยที่แบบไปค้างนะฮะไปแล้วก็กลับหรือถ้าจะไปก็ไปกับพ่อแม่แต่นี่จะต้องไปศึกษาไปเรียนเรื่องาศาสนาที่ห่างไกลออกไปจะต้องไปอยู่สี่ห้าปีก็เลยไม่กล้าตัดสินใจพี่น้องนี่คือตัวอย่างที่บรรดาพ่อแม่ทั้งหลายควรจะต้องเอาไปคิดพิจารณาอะไรที่จะมีน่าโกงกว่านี้อีก อะไรที่จะทำให้เป็นความหวาดกลัวเสียใจหวั่นเกรงมากกว่านี้อีกไม่มีแล้วไม่มีครับข้างหลังคือคือคมดาบข้างหน้าคือน้ำที่พร้อมจมพูดไงว่าไม่ตายต่อหน้าก็ตายอันดาบหน้าเห็นไหมฮะแต่ของเราเนี่ยวันนี้เนี่ยการที่วันนี้เราส่งลูกหลานเรียนาศาสนาเรียนที่ไกลออกไปที่เขาจะได้รับความรู้ ทำไมเราถึงต้องหวาดกลัวนะะคิดความกลัวไปก่อนทั้งที่ความกลัวไม่เกิดขึ้นไม่ใช่ความน่ากลัวที่เกิดขึ้นนะแต่ความอะไรครับความที่เราไม่อยากจะจากลูกของเราแะครับนะเราไม่อยากที่จะเขาเรียกว่าไม่อยากเสียความสุขที่อยู่กับลูกไปแค่นั้นแหละ นะอย่าลืมนะครับกาลังใจสอ ง, อ ส, องสองอย่างที่เอาล่อให้กับแม่ไดบีมูซาอินนารอดูอีเลเราจะกลับคืนมัน่นนั่นหมายความว่าต้องรอคอยเมื่อไหระ่ะไม่ได้บอกเมื่อไหร่กี่วันกี่คืนไม่ได้บอกแต่บอกให้รู้ว่าอินนารอดูอีเลเราจะให้เขาหวนกลับคืนมหาเจ้านะนั้นการที่เราจะเอาจะเสียสละตัวเราเองความรักส่วนตัวความสุขส่วนตัวเพื่อให้ลูกได้ไปศึกษาเรียนรู้ นะไปกับใครครับไปอย่างไรครับไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นมุสลิมโรงเรียนที่เป็นมุสลิมสอนกุรานและฮะดีษเรายังวันเลยแต่นี่แม่ดบบบูซัสทิ้งในแม่น้ําเนี่ยไปหาใครใครจะเจอไม่รู้เลยอนาคตนี่มืดบมดแต่ด้วยอีมานต่ออัลลอฮ์เพราะไปในทิศทางหรือไปในคําสั่งที่อัลลอฮ์ได้สั่งใช้เห็นไหมฮะ และถ้าลูกเรียนสำเร็จกลับมาเป็นความภูมิใจของแม่ไม่ใช่หรือความสุขความดีใจที่ดีใจที่สุดคือได้รับสิ่งที่หายไปเจอสิ่งที่หายไปพี่น้องครับวันนี้ถ้าลูกหลานเราได้ไปเรียนได้ไปศึกษาต่อได้ไปเรียนรู้ถึงห่างใจจากบ้านกับพ่อแม่วันที่เขาสำเร็จแล้วกลับมาเป็นความดีใจของพ่อแม่ที่ได้พบเจอ แ, และให้มั่นใจว่าถ้าเขา ได้ถูกเลือกจากอัลลอฮสุบฮานาฮวะตาลาได้เป็นผู้ที่จะนำศาสนามาสอนกับคนอื่นนี่ไม่ใช่หรือที่เป็นอีกหนึ่งความดีใจของพ่อแม่พี่น้องครับนี่คืออายะที่เราควรและพึงที่จะได้จากเรื่องราวของแม่ของนบีมูซาที่มีความเสียสละที่มีความกล้าหาญ ที่มีความยอมที่จะเสียสละอะไรครับความสุขส่วนตัวคิดว่าเราจะปกป้องลูกได้หรือครับกระคมดาบที่ฐานของเฟซเอาวิ่งเข้ามาทุกๆย่างก้าวเนี่ยตาอย่างกระสปรุดนะจมูกอย่างกระมดคอยดมกลิ่นคอยรู้เสาะหาทุกอย่างใครได้ยินเสียงแอะจากเด็กสังหารหมดจะเอาอะไรวันนี้เราคิดว่าถ้าลูกอยู่กับเรา คิดว่าเราปกป้องลูกได้ไหมอ่ะถูกไหมฮะออกไปทำงานตั้งแต่ตีห้าไม่เจอลูกแล้วกลับมาลูกนอนแล้วแต่เพียงแค่ว่าเขานอนอยู่ข้างๆเราหรืออยู่นอนในห้องอีกห้องข้างๆเราเท่านั้นเองเหรอแล้วเราคิดว่าเราจะปกป้องลูกได้เลยดังนั้นสิ่งนี้พี่น้องครับมันเป็นสิ่งที่จะทำให้บรรดาผู้ปกครองทั้งหลายนะครับเอาเป็น ข, ข้อคิด หรือเอาเป็นสิ่งที่ตัดสินใจในการที่ให้ลูกนั้นอยู่ในแนวทางของอัลล์สุพาห์นาฮูตลาไม่ว่าเรื่องราวข้างหน้าหรือไม่ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็นอย่างไรซึ่งเราไม่รู้อย่างที่อัลลอฮ์สุพานฮูอตลาได้บอกกับแม่ น, นาบีอูาอินนารอดวยอะไรเห็นไหมไม่รู้จะกลับมากี่วันไปกี่วันกลับมากี่วันระหว่างทางจะเกิดอะไรขึ้นแต่ที่รู้แน่แก็คือนาบีมูซา ไม่ตายเห็นไหมฮะลูกชายตัวน้อยยังไม่ตายแน่นอนแต่คาว่ายังไม่ตายคืออะไรนะความลำบากต้องเกิดขึ้นแน่นอนครับความยากลำบากต้องเกิดขึ้นความาาสิ่งที่มันอาจจะทำให้เด็กทารกที่จะพบเจอกับกับอะไรต่อม่อะไรนะี่มันต้องเกิดขึ้นนะจะกินที่ไหนจะนอนอย่างไรใครจะดูแลมันต้องเกิดขึ้นครับ ไม่ใช่สบายทั้งหมดที่ไปไม่ใช่นะฮะดังนั้นถ้าจะเปรียบเทียบในยุคของเราถ้าเปรียบเทียบในช่วงเวลาของเราให้เราได้เข้าใจนะครับว่าเมื่อลูกห่างจากเราแล้วเนี่ยนะครับและไปในทิศทางของสิ่งที่ดีที่อัลล์และเราสุ่นขอบระลอสั่งใช้เนี่ยนะครับพี่น้องเลือกให้ดีตัดสินใจให้ดีแล้วเราบิสมิลลาห์นะฝากไว้กับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูอัตตาลา และวันที่เขากลับมาหาเราวันที่เขาจบแล้วกลับมานั่นคือรางวัล น, นั่นคือความดีใจเมื่อไรกี่ปียังไรไม่ทราบอย่างที่แม่ของนามิมูซาก็ไม่ทราบนะครับแต่ที่มั่นใจและรู้ก็คือว่จะอิลูฮูมีนัลมูรซลีนนะครับก็คือจะทำแต่งตั้งให้เขาเป็นหนึ่งในบรรดารอซูลทั้งหลายนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราก็หวังนะครับว่าลูกของเรา หลานของเราคนที่เราได้เสียสละทรงไปนั้นหวังว่าเขาจะได้เป็นบุคคลหนึ่งที่ทำหน้าที่เหมือนบรรดาระซูลก็คือนำอิสลามมาบอกมาสอนมาเผยแพร่ศา ส, สนาต่อไปนะครับเอาละครับพี่น้องครับเวลาของเราหมดแล้วพบกันใหม่ในโอกาส ต, ต่อไปนะครับสวัสดีคุระมะตุลละระกต